เอาฟังเทศกัสักววหกน่อยหมปากหมคอนโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธัสสะนาโมตัพพะวะโตระหะโตสัมมาสามพุทธัสสะหิลิโอตัปปะสุขะสมาหิตาสันโตปุริสัลุกเกธีวะธรรมานาโมจารี ที่นาบัดนี้จะได้อธิบายในฮีลิกคือความละอายต่อสิ่งความโชว่ใดๆ ใ, ในชีวิตของตนที่นันการเคลื่อนไหวไปมาประการใดตั้งใจอยู่เสมอว่า เราต้องให้ได้รับความบริสุทธิ์อยู่ตลอดไปในชีวิตของตนอันนี้เพื่อแล้วว่าบุคคลผู้รักษาสมบัติความดีของตนไม่เสียหายชีวิตเบื้องหลังที่พวกเราได้ก่อสร้างได้ทำความดีกันมาประการใดๆแล้ว ใดเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ในเวลานี้มีปัญญาความคิดความอ่านว่าโลกนานั้นมีอยู่วหนึ่งนรกเป็นโลกหน้าสวรรค์เป็นโลกหน้าเปรตผีเป็นโลกหน้าเมืองคมเป็นโลกนา อันนี้จะให้เราทุกคนจงคิดอ่านว่าเรามีความคิดอ่านอยู่ในเวลาบัจจุบันนี้ผลบุญความดีของตนตั้งแต่เบื้องหลังในบันดลบันดาลให้ใจของเรามีความคิดความอ่านความรู้สึกเข้าว่าเพราะฉะนั้นให้ท่านทุก คนจงมีฮิลิคือความละอายโอตะปะความสะดุ้งกลัวเก่บาปบาปทั้งกายบาปทั้งวาจาบาปทั้งใจการเคลื่อนไหวไปมาในสาธิละลำกายอยู่ในเวลาบัดเดี๋ยวนี้เที่ยวนี้ตัวของเรายัางเป็นบุตตุชน หน้าที่ความดีจะเกิดขึ้นคือบุญกุศลและธรรมะความโชว์จะเกิดขึ้นคือบาปกรรมใดๆ น, นรกเป็นที่ไปนี่ให้เราทุกคนจงเข้าใจถือว่าเป็นบุตุชนบัดเดียวนี้ เรามีความดีเรามีความชั่วเราจะคิดอ่านอย่างไดจะเพิ่มความดีหรือจะเพิ่มความชั่วชีวิตเบื้องหลังเราได้ทำความดีมาแล้วได้เกิดเป็นมนุษย์ผู้บริสุทธิ์ไม่มีการขาดตกบกพรองเพาะการไหน ไม่ได้เป็นคนหูหนวกตาบอดบ้าใบาเสียจิตที่ทูดกูถังแค้งปวดขาขาดเสียองค์ระลัคนะไม่มียังอีกตัวของเราอย่างในภพปัจสาธนาของพุทธะธรรมะของพุทธะที่ได้วางไว้แล้วในโลก พระมหากษตรตในประเทศไทยของพวกเราได้รักษากันมาตั้งแต่บรรพบุรุษสืบเนื่องกันมาจนตลอดถึงกระเาะเตียนนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ไยราชฒนดอนลูกหลานญาติน้องที่เกิดมาในโลก ผู้มีนิสัยปัจจัยแล้วเกิดมาพบปะก็เกิดความยินดีพอใจก็ได้ตั้งใจของตนทำความปีประกอบทางกายทางวาจาทางใจทางวัตถุขาของประการใดๆอันนี้พิริเรยกว่าสมบัติตั้งแต่คนเก่าของกก เจ้าที่ได้วางไว้แล้วมนุษยได้รักษาความดีกันมาจนถึงกระลบัดเดียวนี้บัดเดียวดีตัวของพวกเราทุกคนที่ได้เกิดเป็นมนุษย์กันว่าไม่ได้ล้มหายตายตั้งแต่เมื่อเราเป็นเด็กจนตัวตัวเราทุก คนใหญ่เติบโตขึ้นมาถึงกระละบัดเดียวนี้อนาคตต่อไปเบื้องหน้าเราจะอายุยืนยาวไปอีกแค่ไหนยังไม่รู้จักตัวให้คิดอ่านเชตว่าตัวของเราควรเพิ่มความดีอยู่เสมอตลอดไป นึ่งเราจะได้รับความสุขต่อไป่ายค้างหน้าสองเราจะได้พบปะบัณฑิตต่อไป่ายข้างหน้าบัณฑิตคือใครพระพุทธเจ้าเป็นบัณฑิตพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นบัณฑิตพระเจกพุทธเป็นบัณฑิต พลุศีโยคีเป็นบัณฑิตพญาจักระพ ต, ตาทิละเป็นบัณฑิตที่ทั้งเหล่านี้ที่เกิดมาแล้วมีเมตตาสงเคราะห์มนุษย์ทั้งหลายในโลกช่งสอนที้แจงเสดแจให้ถูกต้องตามหนทางที่เราเป็นมนุษย์ ตนของตนละจากโรกนี้จะได้ไปสู่โลกหน้าที่เราจะได้ละกละงหนีไปร่างกายอันนี้ขาดทางฉี่ขาดดินขาดน้ำถาดลมถาดไฟทางฉีอย่างนี้ประกอบไม่สม่ำเสมอกันขาดตกบกพ่อยใจก็รักษาไม่ไหว ก็ต้องทอดทิ้งถ้าอยู่ในโลกอันนี้ตลอดกันไปร่างกายอันนี้ก็นิรภังวัคลิงขลังเค่นเปรียบอุ ป, ปามาเหมือนกับทอนไม้แล้วถอนกล้วยทิ้งละทับถงอยู่พันดินอันนี้ตลอดต่อไปอ น, นี้ะให้เราทุกคนจงมีหิริ ว่าความละอายต่อบาปบาปจะเกิดขึ้นอย่างไรเกิดขึ้นทางกายเกิดขึ้นทางวาจาเกิดขึ้นทางใจเกิดขึ้นทางวัตถุเข้าของประการใดๆเกิดขึ้น้วยกิริยาการเอกระเลิกเหตหา ไม่คิดอ่านว่าความดีและความชั่วประกในใดอันนี้พระเรียกว่าบาปกรรมเกิดขึ้นบาปทั้งหลายเรายังม่ทันเห็นตัวบุญทั้งหลายเรายังม่ทันเห็นตัวใจของเราก็ยังม่ทันเห็นตัวเพราะโดยเหตุประการใด คือใจของเราอย่างตั้งไม่ทันได้คันตั้งได้แล้วความสว่างเกิดขึ้นทันทีความสว่างเกิดขึ้นทางในแล้วรู้จักนรกรู้จักสวรรค์รู้จักบุญรู้จักบากรรู้จักความดีและความชั่ว รู้จักอนาคตไปเบื้องหนา้ารู้จักอดีตเบื้องหลังที่เป็นมาของตนอันนี้พูดเลย ว, ว่าใจของเรายังไม่ตั้งด้วยเหตุประการใดเราประกอบบุญกุศลทั้งหลายยังไม่ทันมากยังขาดตกบกพ่องอยู่ตลอดวันไป มีช่องโหว่อันที่บากกรรมความโชกจะเกิดขึ้นมาอยู่ในจิตของพวกเราจึงได้ขึ้นชั่วใจของเรามันปุ่งชาง่านมันคิดมันอ่านมันคิดไปเรื่อยไม่รู้เรื่องรู้ภาษาของมันอันนี้พันเรกว่าคือความโชกบันดาลให้จิตปุ่งช่านอยู่ต้นตลอดไป ผู้ที่มีใจผูศสนรักษามากความเย็นใจความสบายใจเหมือนน้ำในตุ่นในไหไมันมีกระเทือนแล้วนิ่งใสสะอาดส่องเห็นเงาเจ้าของได้ทันทีนี่ฉันใดคือใจตั้งแล้ว นิ่งแล้วในใจของเราความสว่างเกิดขึ้นรู้จะได้ทันทีว่าความดีความชัว่วมีอยู่อย่างไรมีอยู่เท่าไหร่ในตัวของเราอันนี้พรนเรียกว่าบุคคลผู้ปฏิปทาผู้รักษาตัวทองเจ้าของต้องการเพื่อจะไปสู่ความสุขเมื่อหน้า ก็ไ้ได้พบว่าบัณติดต่อไปเมื่อหน้าก็ไอ้ได้มักผลพ้นจากวิบากกรรมการเกิดในโลกเบื้องหน้ามีลให้เราทุกคนจงคิดอ่านว่าตัวของเราบบเดียวนี้มาจากที่ไหนมาเกิดไม่รู้จากนี้แล้วจะไปเกิดที่ไหนไม่รู้ นรกมีจริงไหมไม่รู้สวรมมรค์มีจริงไหมไม่รู้เปรตผีมีจริงไหมไม่รู้เทวดาเทวดามีจริงไหมไม่รู้รู้จะเรื่องกินเรื่องรู้จะเรื่องหาหาอะไรหาเพื่อหาความสุขหาทรัพย์สินทุกของเงินทอง หาไต่เงทุกอย่างบุญบาปไม่รู้เรือ่องทั้งนั้นขอให้มีหลยได้อย่างเดี๋ยวเสียงการพออันนี้เพ็นเรียกว่าโตของเรามันไม่มีหิริหิริเปนว่าความละอายโอตระปะเปนว่าความสะดุ้งกลัวเก็บบาปทั้งหลาย ให้เราทุกคนจงคิดอ่านให้ดีตัวของเราทุกๆคนในชีวิตที่เกิดมาบัดเดี๋ยวนี้ตัวของเราทุกคนเกิดมาเพว่อความดีของเราได้ช่วยรักาจึงนี้นเป็นคนที่ยังยืนตลอดกันมาและยังริภพบศาสนาพุทธ ยังมีอีกช่องหนึ่งมีการบันดาลให้ตัวเราเกิดความยินดีต่อพุทธศ า, า, า, าสนาไหว้พระเช้าหม้อเช้าเย็นก็ดีหรือมีชิ้นห้าก็ดีหรือการทำบุญทำทานประการใดๆก็ดีความดีของเรามันบันดาลให้ปรากฏขึ้นมาอยู่เสมอนในใจของตน เช่นทุคกคนตัวมาแล้วไม่รู้เรื่องรู้แรงว่าพุทธศาสนาแล้วมันเป็นผลประโยชน์ให้ตัวของเราตัวเราคืออะไรคือใจนั่นเองร่างกายนี้มันเป็นบ้านของใจมันไม่ได้รับรู้อะไรสักอย่างร่างกายอันนี้ ใจเป็นผู้รับรู้ทางนั้นร่างกายนี้ใจใช่ไปอย่างไรมันต้องไปอย่างนั้นใช่ไปขึ้นต้นไม้มันก็ขึ้นขึ้นภูเขามันก็ขึ้นลงน้าลึกมันก็หลงแบกบของหนักหรืของเบาของหอมลรืของเหม็นขอ ง, ของสะอาดของสกปรกมันต้องถือไปทางนั้นร่างกายอันนี้ไม่รู้เพราะว่าใดใจทางนั้น ใช้ให้มันวิ่งก็วิ่งทันทีร่างกายอันนี้อันนี้ให้เรารู้จักว่าตัวของเราน่ะคือใจดันเองเรารู้จักได้ดีเกิดจะไปเมื่อหน้ารู้จักว่าเป็นตัวขึ้นมาทันทีนึงบุญกุศลตกแต่งจะรูปเทวบุเทีว ด, ดารู้ได้ทันที สองบาปกรรมตกแต่งเป็นรูปของเปรตของผีรู้ได้ทันทีคือใจนั่นเองเป็นผู้ตกแต่งบุญกุศลของตนที่สะสมไว้นั่นเองเป็นรูปเกิดขึ้นทันทีอุบัติเกิดขึ้นได้เป็นรูปล่างมีให้เราทุกคนจงทิดอ่านตนของตนทุกคน ในชีวิตบัดเดียวนี้ชีวิตของเรายังมีอยู่ในเวลาบันเดียวนี้อจะให้มันเสียเวลาให้เพิ่มความดีให้แก่จิตตลอดไปเช่นบุคคลผู้เพิ่มความดีให้แก่จิตหนึ่งเขาไหวพระเศราเย็นไม่ได้ขาดสองเขามีชินห้าไม่ได้ขาด สามเขาเลี้ยงวิดามาันดาป่ย่าตายายไม่ได้ขาดขีเขาปลุกคนเฒ่าคนแก่เราลึกถึงพระพุพะทธธรรมประสงค์อยู่เสมอเป็นนิสัยปัจจัยคิดอ่านว่าร่างกายอันนี้ถ้าคิดไม่อยู่แล้วก็ต้องหมด อ, อายุของมันไม่มีอะไรเจ้าอย่า อันนี้ให้เราทุกคนจงคิดอ่านตนของตนเสียร่างกายของเราว่าเดียวนี้คือใจเป็นผู้รู้เสถาวะมีอยู่เสมอให้พ้นพาคิดอ่านเราใช้ร่างกายอันนี้เป็นพาหานะสำหรับเกิดความดีและความโชวเราใช้เกิดความดีเป็นผลประโยชน์ความสุขพบว่าบัณฑิตในชีวิตต่อไปมาหน้า เหมือนพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ได้สำเร็จมกผลไปแล้วนั้นท่านตั้งใจอยู่เสมอได้พบพบระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์มาเท่าไรจนนับพันานาไม่ได้ในโลกผลที่สุดก็ชัยชนะเสี่ยงความเศร้าใดๆ ไ, ได้สำเร็จทันทีสำเร็จแล้วเป็หมดทุก สมเสร็จแล้วแปลว่าไม่ได้ไม่เกิดไม่ตายอีกต่อไปรูปธรรมนามธรรมมีรัศมีสว่างสวยอยู่ตลอดเป็นนิจการมีไอเราทุกคนต้องคิดอ่านตนของตนอนาคตเมืออหน้าเราต้องได้ทุกคนคันตั้งใจของตนผู้ไม่ตั้งใจแล้วมีอันนานที่สุดล้วจะสลายไม่รู้นร พระเทวทัตผู้พบพปะพุทธเจ้าแล้วได้แสนพุทธะมาตราในโลกเขายังจะพ้นจากนรกพ้นจากนรกแล้วยังจะเป็นผีเป็นเปรตอีกจ้องทไวยนับมาได้ผลจะเปรตจะผีแล้วยังจะเป็นสัตว์เดรัรจฉานอีกจ้อไเทจะนับมาได้ จนกว่าเขาจะเลยมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปอันนี้ละ่ะให้เราคิดนึกพิจารณาดูเถิดรักฐานของโลกผูท้ที่ทำความโสร้ามากมันเป็นตัวอย่างไว้แล้วในโลกให้เราตั้งใจของตนทุกทุกคนในเวลาบาัดเดี๋ยวนี้ชีวิตของเรายังมีอยู่ทุกคนคือลมหายใจเข้าออก เป็นเจ้าของรูจักัวาความดีโช่ประการใดๆให้ตั้งใจพยายามประกอบความดีของตนอยู่ตลอดไปบุญกุศลเก็บเล็กระสนน้อยประสงค์เข้าตลอดไปจะเป็นปัจจัยชัยชนะสิงความโช่ใดๆในใจของตนจึงจะได้ผลทุกคนไปเพราะฉะนั้นที่อาตมา เคยช่วยิยากน้องให้มีหิิคือความละอายโอตัปาความสะดุ้งกูเกบาประการใดๆอายวัฏกธนวัฏจักรสิริวัฏจักรยัษวาฏจ a ก a ภรวัฏจักรวันวัฏจักสุขวั k จ h กโหตุสัพพะธาอายวัฏจ a กรธาวัฏจักรสิริวัฏจักรยัษวาฏจักรภราวัฏจ a กร วันวัตถกาสุขว <t> ัตากาโหตุสัพปะธาอายุวันโนสุขังปะหลัง